ให้พึ่งตนพึ่งธรรมอานน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานน์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว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 ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีทรรมเป็นประทีปมีทรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยอานน์ ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอาน o ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อ, อยู่พิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานน์ภิกษุอย่างนี้แล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 ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนภ์กิุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายพรหมจันนี้มิใช่มีลาภสการะและเสียงเยินยอเป็นอานิสงส์พรหมจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์พรหมจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์พรหมจันนี้ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอานิสงฆ์ภิษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แลภิกษุทั้งหลา ย, ลายเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้มุรุดมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่นรู้จักกระพี้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 สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จกสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้สำหรับในกรณีเรื่องอภิชาตหกนี้อาจจะทำให้เราทราบว่า กำเนิดของคนที่กําเนิดดีหรือกําเนิดไม่ดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลที่จ ะ, ะทำให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้หรือไม่ไดนะ้แต่อยู่ที่ข้อประพฤติปฏิบัติของเขานะถ้าคนที่มีกําเนิดไม่ดีแต่มีการประพฤติทางกายทางวาจาทางจิตดีเขาก็สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้ แต่ถ้าชาติกําเนิดเขาดีแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีมีกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตนั้นเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชาติกําเนิดแบบใดนะมีชาติกําเนิดในตระกูลต่ําหรือชาติกําเนิดในตระกูลสูงก็ตามทุกคนล้วนแต่ ที่จะสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ขึ้นอยู่กับความเพียรของคนคนนั้นที่จะมีความเพียรจะประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องดีงามตามหนทางอรอยิยมรรคมีองแปดหรือไม่เท่านั้นอานน์ในกรณีแห่งอภิชาตห6นี้คือคนบางคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวหนึ่งอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันท์ทานตระกูลพรานตระกูลจักสารตระกูลธรรมรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อย เป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีน้ำข้าวเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟ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 คนมีชาติดำก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากมีผิวพรรณสามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำประทีบโคมไฟแต่เขาประปฤึิกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหลอาน o n เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวอาน o ์คนมีชาติดำก่ำ อ, นนำอให้เกิดนิพพาน มันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนนคนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีผิวพันธ์สามไม่น่าดูเตี้ยคอมเขาปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นรันบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติประฐานทั้งสี่อย่างโพชงเจดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดําไม่ขาวอย่างนี้แหลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติ ด, ดําก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลขหะบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก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 วจีทุจริตมโหทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกอย่างนี้แหลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำดําอานนท์คนมีชาติขาวก่ใกำำอนนกให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่า อาน o ์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมมหาศาลมีทรัพย์และก็เปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดาไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลสูง คือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และข้าเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเข้าปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรทั้งหอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างโพชฌงเจตให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงก็ย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แหลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์เหล่านี้แล อภิชาตหกชนิด